คือขณะที่ท่านพักอยู่ในถ้ำแห่งหนึ่งคืนนั้นเดือนไายฟ้าขาวเดือนดาวสว่างอากาศปลอดโปร่งสบายท่านกำลังเดินจงกรมอยู่หน้าถา้ำขณะนั้นได้มีเสือโคร่งใหญ่ตัวหนึ่งใหญ่มากท่านว่าศีรษะกลมกลมของมันเท่าที่เห็นแล้วถ้าจะให้พูดตามความถนัดใจแล้วอยากพูดว่าใหญ่เท่าโองน้าเราดีๆนี่เองทีแรกได้ยินเสียงมันคารามเป็นเชิงคูให้กลัว อยู่ห่างจากท่านประมาณสิบวาพอเปลี่ยนจากคำรามก็เป็นกระหึมและกระหึมอย่างเต็มเสียงของมันจนปรากฏสะเทือนไปทั่วภูเขาตอนมันเริ่มคำรามมองไปไม่เห็นตัวได้ยินแต่เสียงสักครู่ต่อมาก็ได้เห็นมันโผล่เข้ามาหาท่านด้วยทั้งเสียงกระหึมอย่างเต็มที่และเดินเข้ามาหยุดยืนและนั่งแบบสุนัขนั่งไม่หมอบทาท่าจะทาอะไรท่านเลย นั่งอยู่ห่างท่านประมาณสองวามองเห็นได้ถนัดชัดเจนตลอดลวดลายของมันเพราะไฟเทียนไขที่จุดเดินจงกรมก็สว่างสวัยอยู่ขณะนั้นเมื่อท่านเห็นมันมานั่งอยู่ต่อหน้าท่านนึกขึ้นมาในใจว่าเสื้อครงตัวนี้จะมาทำไมกันดินทั้งแผ่นที่กว้างแสนกว้างมันทำไม่ไปแต่มาคิดสร้างความสนุกบนหัวใจคนซึ่งกาลังกลัว เอาอะไรกันท่านยืนดูมันที่กำลังนั่งกระหืมสนุกอยู่ครู่หนึ่งในใจมีรู้สึกเสียวๆบ้างเพียงเล็กน้อยไม่แสดงความกลัวออกมาอย่างเปิดเผยอะไรเลยจึงคอยเดินเข้าไปหาและพูดกับมันว่าที่นี่เป็นที่ของพระท่านบำเพ็ญสมณธรรมต่างหากมีใช่ทําเลเที่ยวของเธอนี่นาขึ้นมาทาไมกันโนนไปเที่ยวสนุกสนานกับหมู่เพื่อนของเธอน่นสิไปเสีอ พระก็มีใชยพระอิดพระปูนสิ่งน่ากลัวก็ต้องกลัวมันสัตว์ทั่วไปนั่นแหละพอพูดจบ ก, ก็ก้าวเข้าไปหามันท่านว่าท่านเดินเข้าไปจวนจะถึงตัวมันประมาณเมเศรษเท่านั้นมันจึงโดดหนีอุบเดียวไม่ทราบหายไปไหนและหายไปอย่างรวดเร็วยังกับปาฏิหารมองดักหน้าดักหลังที่ไหนก็ไม่เห็นทําให้แปลกใจไม่หายแต่บัดนั้นเป็นต้นมา เพราะสถานที่ท่านพักอยู่และที่ที่เสือโครงใหญ่ตัวนั้นมานั่งอยู่ก็เตียนโลง่งไม่มีอะไรปิดบังกีดขวางพอจะมองไม่เห็นขณะที่มันโดดหนีไปจึงทำให้ท่านแปลกใจตลอดมาพอมาหาท่านอาจารย์มั่นได้โอกาสจึงเล่าถวายท่านแล้วเรียนถามถึงเรื่องเสือที่โดดหายตัวไปอย่างรวดเร็วนั้นว่าเป็นเพราะเหตุไรท่านอาจารย์มั่นชี้แจงให้ฟังว่า นั่นไม่ใช่เสือจริงแต่เป็นเสือเทพบันดาลต่างหากเพราะพวกเทพมีฤทธิ์มากผิดมนุษย์เราสามารถจำแลงกายหยาบกายละเอียดหรือนิรมิตเป็นสัตว์เป็นเสือหรือเป็นคนหญิงชายต่างๆได้ไม่ติดขัดบางครั้งเวลาเข้ามาหาเรายังมาในรูปต่างๆได้ในเทพคนเดียวกันเสือตัวที่มาหาท่านนั้นถ้าเป็นเสือจริงลงได้ตั้งหน้ามาขนาดนั้น ต้องมีความมุ่งหวังจะกินคนเป็นอาหารแน่นอนถึงได้มาทั้งที่รู้อยู่ว่าคนซึ่งเป็นที่เกรงขามของสัตว์ของเสือทั้งหลายเสือที่เทพปันดานใจก็มีเสือที่เทพนิรมิตเองก็มีแต่เสือที่มหาท่านนั้นเป็นเสือเทพนิรมิตฉะนั้นการโดดหนีของเสือตัวนั้นจึงรวดเร็วผิดธรรมดาจนมองไม่ทันว่าไปยังไงมายังไง สำหรับผมมันเคยชินกับพวกสัตว์เสือเทวบุตรเทวธิดามาแล้วเวลาไปอยู่ในป่าในเขาคนเดียวการอยู่ก็อยู่เพราะธรรมะเนื่องจากธรรมะมีอํานาจมากสัตว์ทั้งหลายเคารพรักใจที่มีธรรมะยอมทรงอํานาจในตัวเองแต่อํานาจทางธรรมไม่เหมือนทางโลกซึ่งคอยแต่จะกำเริบอยู่เสมอผู้ถูกขมคูนั้นกลัวจริงในขณะที่ถูกขู แต่ใจไม่ยอมลงตามอำนาจความข่มขู่เมื่อมีโอกาสยังคอยแก้แค้นจนได้ดังที่เห็นเห็นกันอยู่ฉะนั้นการใช้อำนาจทางโลกเพียงอย่างเดียวไม่มีธรรมะเข้าสนับสนุนโลกจึงหาความสงบเย็นได้ยากท่านจึงสอนให้ปกครองโลกโดยธรรมปกครองกันโดยธรรมโดยอาศัยความถูกต้องดีงามเป็นอำนาจ ไม่ใช่เอาอารมณ์หรือทิฏฐิมานะเป็นอำนาจคำว่าธรรมหรือธรรมะมิได้เป็นรูปเป็นร่างที่มองกันด้วยตาเนื้อแต่ธรรมะเป็นธรรมชาติที่ละเอียดสุ ข, ขุมสุดที่จะนำมาเทียบเคียงเปรียบเทียบกับสิ่งสมมุติทั้งหลายได้ใจเป็นความละเอียดชั้นใดธรรมะย่อมมีความละเอียดชั้นนั้น และใจเป็นที่สถิตยอยู่ของธรรมะทั้งหลายนอกนั้นไม่ใช่ที่สถิตอันถูกต้องของธรรมะธรรมะจึงเป็นเรื่องพูดยากทั้งที่รู้อยู่อย่างเต็มใจนอกจากผู้ปฏิบัติแลรู้ธรรมะเป็นขั้นๆ น, นั่นพอพูดกันได้และรู้เรื่องธรรมะพอประมาณถ้ารู้ธรรมะเต็มภูมิจิตภูมิธรรมโดยสมบูรณ์แล้ว ยอมพูดธรรมะกันเข้าใจทุกแง่ทุกมุมไม่มีทางสงสัยคำว่าธรรมะคืออะไรและอยู่ที่ไหนก็ทราบกันทันทีโดยไม่ต้องตอบให้เสียเวลาการอาศัยการถามและการตอบกันอยู่ยังไม่เข้าในลักษณะของผู้รู้ธรรมะอย่างเต็มภูมินี่แหละธรรมะแท้เป็นอย่างนี้ถ้าใจปลอม พาให้เกิดธรรมะปลอมแม้ถามและตอบกันวันยังค่ำก็ได้แต่ตัวทิฏฐิมานะเต็มหัวใจไม่ลงรอยกันได้นั่นคือธรรมะชื่อคือได้แต่ชื่อของธรรมะไม่ได้ดวงธรรมแท้มาครองภายในใจธรรมะชื่อไรรเรียนก็จำได้เพราะเป็นสิ่งที่ควรจำได้ด้วยกันแต่สำคัญที่ดวงธรรมะแท้ที่มีชื่อในตัวเอง โดยไม่ต้องเป็นกังวลท่องบนจดจำให้ลำบากนั้นปฏิบัติยากมองเห็นได้ยากรู้ได้ยากธรรมะแท้ที่ถูกกล่าวหาว่าปฏิบัติได้ยากรู้ได้ยากนี่แหละที่ไม่ขึ้นอยู่กับคำถามคำตอบเพราะเป็นความจริงล้วนหมดปัญหาโดยประการทั้งปวงและธรรมะนี่แหละมีอยู่ในโลกตลอดอนันตการ ไม่เจริญและไม่เสื่อมไปกับอะไรคำว่าอำนาจธรรมก็คือธรรมะนี่แลจะเป็นอะไรที่ไหนกันที่พูดนี้ก็ไม่แน่ใจนักว่าหมู่คณะจะเข้าใจตามได้ทุกแง่แห่งธรรมะที่พูดมาแต่ถึงการที่ควรพูดบ้างก็จำต้องพูดพอเป็นกาเลนะธรรมสักฉาเอตัมมังคลมุตตมัง ที่จบลงนี้เป็นธรรมะที่อาจารย์มั่นตอบและอธิบายให้ท่านอาจารย์องค์นั้นกับหมู่คณะฟังผู้เขียนก็เขียนสุ่มๆเดาๆไปตามที่ได้ยินได้ฟังมาอย่างนั้นเองมิได้มีความเข้าใจในคมที่ท่านสนทนากันทุกประโยคอะไรเลยทั้งที่ไม่เข้าใจทุกคำแต่ก็ยังพยายามถูถยมาลงจนได้นั้นเพราะแน่ใจว่าคนเรามีความรู้ความฉลาดและความสามารถต่างกันแม้ตนไม่รู้ไม่เข้าใจ ก็ยังมั่นใจว่าท่านผู้สามารถจะรู้จะเข้าใจในคำพูดของท่านอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนคงมีอยู่จึงได้นำมาลงเพื่อช่วยกันคบคิดบ้างหวังจะเกิดประโยชน์แก่พวกเราตามฐานะที่ควรเป็นได้เพราะคำพูดดังที่ท่านอาจารย์มั่นพูดสองสามประโยคนี้เป็นธรรมะที่ค่อนข้างหาฟังได้ยากแม้ไม่เข้าใจก็ยังพอใจฟังและพอใจเขียน เพื่อท่านผู้อ่านได้ช่วยพิจารณาต่อไปซึ่งอาจเป็นเครื่องเสริมสติปัญญาได้บ้างคำพูดท่านอาจารย์มั่นในลักษณะนี้ยังมีอีกมากผู้เขียนจะพยายามนำลงเรื่อยมาตามเรื่องปฏิปทากับเรื่องท่านอาจารย์จะเข้าสัมผัสที่ควรนำลงเป็นตอนๆไปจนกว่าปฏิปทาจะจบลงด้วยดี นี้เป็นอีกถ้าหนึ่งที่ท่านอาจารย์องค์นั้นพักเป็นเวลานา น, านกว่าที่อื่นๆแต่ไม่เคยปรากฏว่ามีสัตว์เสืออะไรมารบกวนให้ลำบากแต่จนจวนท่านจะออกจากถ้านี้ไปเที่ยววิเวกแสวงธรรมตามอัธยาศัยเช้าวันหนึ่งจวนเวลาท่านจะออกบินทบาทก็ได้ยินเสียงเสือโคร่งใหญ่ครุ่นรลางกระหึมขึ้นมาหาท่านจนถึงที่ที่ท่านพักอยู่จริ ง, รงขณะท่านมองเห็นตัวกาลังกระหึมขึ้นมา ที่แรกปรากฏคนลูกซ่าไปทั้งตัวร่างกายทุกส่วนชาไปหมดรู้สึกกลัวมากแทบหัวใจหยุดระยะนี้จิตใจท่านคงยังไม่เข้มแข็งพอแต่การเขียนเรื่องก็ไม่ทราบว่าเหตุการณ์ใดเกิดก่อนและหลังกันไม่ได้เรียนถามการเวลากับท่านเป็นแต่พอท่านเล่าให้ฟังก็จดจำมาลงเลยจึงไม่ทราบระยะที่เกิดเหตุนั้นๆว่าเกิดขึ้นเมื่อไรของการบาเพ็ญ กรุณาถือเอาใจความในเรื่องทีเดียวจะเป็นความสะดวกในการอ่านขณะท่านมองเห็นตัวกำลังกระหึมขึ้นมาทีแรกปรากฏคนลุกซาไปทั้งตัวร่างกายทุกส่วนชาไปหมดรู้สึกกลัวมากแทบหัวใจหยุดเพราะมันเดินตรงมาอย่างท่านด้วยความตั้งใจจริงทั้งที่มันก็มองเห็นท่านอยู่แล้วนับแต่ขณะที่โผล่หน้าขึ้นมา ซึ่งควรจะหยุดแค่ระยะที่มันมองเห็นท่านอยู่แล้วแต่ยังทั้งเดินทั้งทำเสียงครนครางเข้ามาจนถึงท่านซึ่งห่างกันประมาณสองวาเศษเท่านั้นพอเข้ามาถึงที่นั้นแล้วก็หยุดนั่งเหมือนสุนักบ้านนั่งและจ้องมองหน้าท่านเขมงแบบไม่กระพริบตาเลยแต่ไม่ได้หมอบทำท่าจะทำอะไรท่านอาการของมันเหมือนตัวที่มาหาท่านคราวที่แลวนั้น ไม่มีอาการว่าจะเอาจริงเอาจังอะไรกับท่านแต่ขึ้นชื่อว่าสัตว์น่ากลัวแล้วแม้ไม่แสดงอาการเป็นที่น่ากลัวก็จําต้องกลัวมันอยู่นั่นเองพอเห็นมันมองท่านท่านเองก็มองมันด้วยความกลัวอยู่พักหนึ่งพอตั้งสติได้ท่านก็ยกมือชี้บอกมันว่าที่นี่มีใช่ที่สําหรับท่องเที่ยวของเธอแต่เป็นที่อยู่ของพระท่านบําเพ็ญภาวนาตังหกัก จงไปเสีอที่อื่นซึ่งมีป่าและเขามากยิ่งกว่าที่นี่แต่มันก็ยังนั่งมองท่านอยู่ไม่ยอมไปท่านจึงจับไม่เท้าชี้บอกมันอีกว่าจงไปที่โน้นภูเขาลูกโน้นซึ่งมีที่เที่ยวถมไปอย่ามานั่งดูให้พระกลัวเรามิใช่สัตว์มิใช่เนื้อมิใช่อาหารของเสือเช่นเธอเราเป็นพระผู้ทรงศีลทรงธรรมอย่ามาทําให้เรากลัว เดี๋ยวเวลาเธอตายไปตกนรกหลุมกลัวๆนะจะว่าไม่บอกแล้วก็ชี้ไม้เท้าบอกมันไปอีกว่าจงหนีไปเดี๋ยวนี้เรากลัวเธอมากตาเธอก็ตาเสือแหลมคมยิ่งกว่าอะไรถ้าขืนมองเรานา น, านๆเพื่อเรากลัวมากและตายไปเธอจะตกนรกจริงๆนะพอจบคาท่านก็ลุกจากที่ชี้ไม้และเดินเข้าไปหามันมันจึงโดดหนีไปในขณะนั้น พอมันหนีไปแล้วนึกกลัวขึ้นมาอีกเพราะคิดว่ามันอาจตามเราไปเวลาไปบินธบาตเพราะเป็นป่าดงพงลึกทั้งสิน้นแต่ไม่เห็นมันตามไปดังที่คิดไว้วันนั้นนึกกลัวทั้งวันเกรงว่ามันอาจจะขึ้นมาหาเราอีกก็ได้ตอนกลางคืนก็คิดแต่เรื่องเสือจะขึ้นมาหาท่าเดียวเลยไม่เป็นอันภาวนาให้สนิใจได้จำต้องสั่งสอนตนแทบทั้งคืน ใจจึงยอมสงบลงได้จากนั้นก็หายกลัวอยู่ได้ด้วยความสงบสุขเสือตัวนั้นก็ไม่เห็นกลับมาอีกจนกระทั่งท่านจากที่นั้นไปท่านว่าเสือตัวนี้ใหญ่และยาวมากน่ากลัวจริงๆคล้ายกับเป็นเสือลึกลับไม่ใช่เสือธรรมดาใหญ่พอๆกันกับตัวที่มาหาตอนกลางคืนวันนั้นลักษณะอาการก็คล้ายคลึงกัน ความรวดเร็วก็พอพอกันจึงทำให้คิดว่าน่าเป็นเสือเทพบรนดาลดังท่านอาจารย์มั่นว่าไม่ผิดเห็นแล้วน่ากลัวจนแทบตั้งสติไว้ไม่อยู่ดังนี้